หลังจากที่พระผู้มีพระภาคดับขันธปรินิพานเนี่ยนะซึ่งก่อนจะสว่างเกิดว่าประมาณสักทาทูดแบบเราก็คือสักตีสตี่ตห้าช่วงนั้ น, น่ะที่พระผู้มีพระภาคดับขันธปรินิพานซึ่งเหลือเวลาสักครู่หนึ่งกิดว่าช่วระยะหนึ่งก็จะสว่างขึ้นก่อนที่ฟ้าจะสางก่อนที่จะสว่าง ทั้งพระอนนท์และพระอนุรุทธานั้นช่วยการแสดงธรรมมิกถะทาช่วยการประกาศธรรมะให้กับพระพิสุทข์ทั้งหลายและก็พุทธบริษัทที่อยู่ณนะบริเวณ น, นั้นได้ฟังกันในหน้า445บทว่าธรรมมิกระทายะเนี่ยนะก็คือธรรมกถาที่แยกออกเป็นอย่างอื่นไม่มีเรื่องอื่นพิเศษหรอกแต่หมายถึงธรรมกถาที่กล่าวถึงมรณะ ว่าความตายเห็นปานนี้เนี่ยนะพญา ม, มัจจุราชเนี่ยไม่มีความละอายต่อพระาศาสดาทั้งๆ ท, ท, ที่พระองค์เป็นบุคคลผู้ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกอยากคิดนะว่าความตายจะกลัวต่อพวกเราคิดดูนะความตายเนี่ยไม่เกรงใจพระพุทธเจ้าเลยแล้วความตายจะเกรงใจพวกเราได้อย่างไรความตายไม่กลัวแม้แต่พระพุทธเจ้าแล้วจะกลัวพวกเราได้อย่างไร นะความตายเนี่ยนะไม่ได้กลัวสรีระเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทั้งหลายเลยเพราะอะไรเพราะว่ารูปทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดารูปทั้งหลายคือสิ่งที่ถูกไฟคือชรา ม, มรณะโสกปริเทวทุกขโทมานัสอุปายาตแผดเผาเป็นธรรมดามันเมื่อไฟคือมรณะแผดเผารูปทั้งหลาย แม้กระทั่งรูปเป็นที่ตั้งแห่งคุณมีสีและคุณเป็นต้นรูปเหล่านั้นก็ยังเสื่อมอยังสิน้นยังสลายยังดับไปยังแปรไปจะกล่าวไปยายถึงโลกียะมหาชนทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ผู้เกิดมาแล้วก็ล้วนแต่บ่ายหน้าเข้าไปสู่ความตายแต่ว่าก่อนจะตายแหละโลกียะมหาชนทั่วๆไปกับพระริเจ้าทั้งหลายแตกต่างกัน พระริยาเจ้าทั้งหลายก่อนจะตายท่านก็เตรียมตัวเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะนะเป็นการเตรียมตัวโดยการทํากิจในอริยศาสตร์เมื่อทํากิจกําหนดรอบรู้กองทุกข์ละกิเลสละอกุศลละสมุทัยละสาเหตุแห่งวะะัฏฏะกำจัดตัดขาดต้นเหตุแห่งวะตะถอนรากถอนโคนแห่งวะะัฏะได้เสร็จสิ้นแล้วเพราะแทงตลอดอมะตะนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นดําที่ ดับทุกโดยการประพฤติปฏิบัติไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จนเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์ภัยบูรณบริบูรณ์นั้นจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยคุณทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีศีลหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เป็นผู้มีวิปัสนามีสมถะมีวิปัสนามีปัญญามีวิชามีวิมุตต์มีอภิญญามีวิโมกซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผลเกิดจากการกําหนดรอดรู้ในกองทุกขละสมุทัย เป็นผลของการบำเพ็ญภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างถูกต้องอถูกวิธีซึ่งก่อนจะตายนั้นท่านก็ทากิจสำเร็จมันการทิ้งสรีระพระ อ, องค์บอกว่าเป็นการทิ้งสรีระครั้งสุดท้ายของพระองค์มันการตายของพระองค์ถือว่าเป็นการตายที่มีอยู่ในครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีคาว่าตายอีกต่อไปเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เรียกว่าอมะตะธรรมเป็นธรรมที่พ้นจากความตาย นั้นสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความตายผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานก็ตรัสรู้ธรรมที่ดับขจัดทําลายเสร็จสิ้นเหตุให้เกิดความตายนั่นเองทีนีเ้เมื่อช่วยกันสนทนากล่าวธรร ม, มกถาให้แก่พระพิสุท์ทั้งหลายเป็นต้นฟังท่านอรุทธะก็ใช้ให้พระอนนท์นั้นไปบอก เ, อเจ้ามัลละทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วสมัยนั้นพวกเจ้ามัลละ เมืองกุสินาราประชุมกันอยู่ที่สันทาคารด้วยเรื่องพระนิพพานคือเรื่องปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือเขากําลังเข้าสภากันอยู่นะเปิดสภาใหญ่ประชุมกันดืนเที่ยงคืนเลยนะก็คือจะว่าเราจะทําอะไรกันอธิบายว่าพวกเจ้ามละเหล่านั้นเนี่ยนะจัดสักการะดอกไม้ของหอมว่าถ้าปรินิพพานเนี่ยเตียงที่ปรินิพพานต้องจัดดอกไม้อย่างไร พระพิสูสงจะต้องจัดอย่างไรแล้วก็เรื่องอาหารขาชินียาโพชินียาอาหารใครรับผิดชอบอเรื่องสเสบียงก็เรียกว่าจัดแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระทนหันเพราะพระองค์ไม่ได้เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยว่าพระองค์จะมาปรินิพานที่นี่ซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่กระทนหันพอสมควรก็เลยมีการประชุม อนนเสนาประมาณประชุมข้าราชการบ้านเมืองทั้งหมดมาประชุมกันพวกเจ้าทั้งหลายก็มาแบ่งแผนกแบ่งพักแบ่งพวกกลุ่มที่ดูแลดอกไม้กลุ่มที่ดูแลเรื่องขาชนียาโภชนียอาหารของขบของเที่ยวของฉันเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องการเป็นอยู่เรื่องสรารพัดอย่างเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีมีกษัต ร, ริย์เออมีพระพิสุหมา ม, มากมายพุทธบริษัทติดตามอีกมากมายเนี่ยนะก้อนเจ้าที่ทั้งหลายหรือผู้ที่ เป็นพูดเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะรับดูแลทั้งหมดก็ถือว่าเรียก อ, อะไรนะอริยทรัพย์มาหาถึงบ้านถึงเมืองเลยนะเสร็จแล้วเจ้าเจ้ามาละทั้งหลายก็ช่วยกันประชุมกันณนะสถานที่เหล่านั้นนั่นเองท่านพระนนก็เข้าไปยังสันธาคารก็คือสภานะนะี่ยแหละก็คือเข้าไปสู่ที่ประชุมของเจ้ามาละเมืองกุสินาราแล้วก็ได้บอกเจ้ามาละเมืองกุสินาราว่า ดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงสำคัญกาละอันสมควรในบัดนี้เธอเหนว่าพระองค์ปรินิพานแล้วละพวกเจ้ามลละโอรสสุนิสาสุนิสาก็คือสะพ้ายนะทั้งโอรสทั้งลูกสะพายทั้งประชาบดีประเหสีคือเมียทั้งหลายเนี่ยพอฟังคำของท่านท่านนทแล้วก็มีความทุกเสียพระไทยเปี่ยมไปด้วยทุกใจ เสียใจอย่างสุดซึ้งเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนที่สูญเสียแก้วตาดวงใจออกไปเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยลูกตาอาจจะไม่เสียใจขนาดนี้ก็ได้สลยซ้ไปพระเจ้าเหล่านั้นบางพวกก็สยายผมประคองแขนทั้งสองร้องให้ค่ําครวรลม้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนมีเท้าขาดแล้วก็รำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนัก พระองค์ผู้มีพร ะ, ะมีจักสุในโลกอันตฐานไปเร็วนักเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าดวงตาของโลกอันตธานเร็วเหลือเกินครั้งนั้นเจ้ามาละกรุงกุสินาราก็รับสั่งกับพวกราชบุิวรว่าพวกท่านจงเตรียมของหอมด้วยดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดในเมืองกุสินาราให้พร้อมกัน น, นะเรื่องบูชาด้วยสีด้วยเสียงด้วยกลิ่นสุดแท้แต่จะสรรหามาได้ เจ้ามาละเมืองกุสินาราก็ถือเอาของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีทุกชนิดทั้งผ้าห้าร้อยคู่แล้วก็เสด็จเข้าไปยังสารวันอันเป็นที่เวะพักของเจ้ามมละพระราชาก็เสด็จเข้าไปถึงสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงก็สักราเคารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนราขับร้องประโคมถวายดอกไม้ถวายของหอม ดาดคิดว่าดาษเทดานผ้าตกแต่งเป็นโรงโรงมนทนก็คือโรงกลมยังวันและวันให้ล่วงไปด้วยอาการอย่างนี้เพราะวั น, วนทั้งวันแต่ละวันเนี่ยจัดการบูชาพระศรีระอย่างเดียวเจ้ามาละมีพระดำรวิว่าการถวายพระเพลิงพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนี้หมดเวลาเสียแล้วคือที่แรกก็ตั้งใจเออวันนี้เนี่ยได้ถวายพระเพลิงพระองค์ก็ อินเดียเนี่ยจะไม่มีประเพณีแบบแคล้ายๆบ้านเราเป็นต้นที่ว่ามาสวดมาอะไรแบบนี้ไม่มีพิธีกรรมแบบแบบบ้านเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตายเชาวเอาไปชาวตายสายเอาไปสายโดยมากไม่เกิน2ี่สชั่วโมงต้องเอาไปเผาหรือเอาไปฝังเอาไปอะไรสักอย่างเลยเนี้ยพั้นเขาก็บอกเออเดี๋ยววันนี้ที่จริงก็คิดไว้ว่าวันนี้แหละจะถวาย พ, ร, พ, พระเพลิงพระผู้มีพระภาคแล้วละเสร็จแล้วก็โมแต่ทําเรื่องบูชาบูชาไปจนหมดวันบอกวันนี้ไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้ก็แล้วกัน พวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราสการะเคารพนับถือบูชาพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรําขับร้องประโคมด้วยดอกไม้ของหอมดาบพีดานผ้าตกแต่งโรงมณฑลผ่านไปวันที่สองเวพรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วก็มาทําบุญใหญ่อย่างนั้นอีกวันที่สก็เท่ากันวันที่4ี่ที่ห้าที่หผ่านไปหวันนะทำบุญพุทธบูชาพระศรีระเนี่ยนะหกวันเต็ม ครั้นถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามาละเมืองกุสินารามีพระดำริว่าพวกเราจักสการะเคารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมและก็ถวายดอกไม้ของหอมเป็นต้น เ, นะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จักอัญเชิญพระสรีระของพระองค์ไปทางทักษิณแห่งประตูเออแห่งเมืองเนี่ยนะก็คือประตูด้านที่ใต้ ไปภายนอกพระนครถวายพระเพลิงพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะทางทิศทักษิณคือทิศใต้แห่งเมืองคือตั้งใจว่าจะประชมเพลิงเนี่ยนะเรียกว่าสำเร็จศรีระกิจของพระองค์ที่ทิศใต้ของเมืองก็สมัยนั้นเจ้ามาละปาโมกทั้งแปดองค์เนี่ยนะเอาพวกมละปาโมกที่เป็นแบบรุ่นคณาจารย์อาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังแข็งแรงเนี่ยนะ ให้ทั้งให้ทั้งแองค์นั่นแหละสงกลราวแล้วก็นุ่งผ้าใหม่ด้วยดำริว่าทั้งแปดท่านนี้แหละจักยกพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งใจจะยกแต่ก็ไม่สามารถจะยกพระศรีระขึ้นได้เจ้ามาละกรุงกุสินาราก็ได้ถามท่านท่านอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะเพราะเหตุไรเนา ะ, ะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยมละปาโมกแปดองค์นี้ผู้ทรงสงกลราว สรงนุ่งห่มผ้าใหม่ด้วยดำริว่าจะยกพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ย่อมไม่อาจจะยกขึ้นได้โยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นพระอนุรุทธก็กล่าวว่าดูก่อนวาสิทธาทั้งหลายพวกท่านนั้นมีความประสงค์อย่างหนึ่งพวกเทวดาก็มีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือคิดคนละอย่างกับเทวดานี้เทวดาไม่ยอมมนุษย์มนุษย์ต้องยอมเทวดาอย่างเดียวเจ้ามาละก็เลยถามว่าฆ่าแต่ท่านผู้เจริญแล้วพวกเทวดานั้นมีความประสงค์อย่างไร พานุรุตก็กล่าวว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพวกท่านมีความประสงค์ว่าพวกเราจาักสการะเคารพนับถือบูชาพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฟ้อนรําขับร้องประโคมดอกไม้ของหอมเสร็จแล้วก็จักเชิญพระศรีระของพระองค์ไปทางทิศทักษิณแห่งพระนครแล้วก็เชิญไปภายนอกพระนครถวายพระเพลิงพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้านทิศทักษิณคือทิศใต้แห่งพระนคร คิดว่าจะโน่นจระรปชุมเพลิงในนะด้านที่ใต้ของเมืองส่วนเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งว่าพวกเราจะสักการะเคารพนับถือบูชาสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้องการประโคมด้วยดอกไม้ของหอมอันเป็นทิพย์เสร็จแล้วจักเชิญพระสรีระของพระองค์ไปทางทิศอุดรแห่งพระนครอันเชิญไปด้านเหนือของเมืองนะตรงกันข้ามเลย มนุษย์ทั้งหลายเจ้ามาละทั้งหลายคิดไว้ทางที่ใต้อะนนพวกโหราจารย์ทั้งหลายก็บอกทิใต้เถอดเทวดาบอกโน่นแหะทิศเหนืออย่าลืมว่าทิศเหนือเนี่ยหมายถึงอุตรประเทศอุดรเนี่ยหลุดพ้นเนี่ยนะเป็นทิศของความหลุดพ้นแล้วเป็นทิศของผู้ที่เรียกว่าพ้นเป็นทิศที่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอัญเชิญไปทางทิศเหนืออันนในทางประตูด้านทิศเหนือของนครเสร็จแล้วก็เชิญไปท่ามกลางนครแล้วก็หมายว่า เอาไปเข้าประตูด้านที่เหนือเข้ามากลางเมืองแล้วก็จากกลางเมืองเนี่ยเข้าไปด้านทิศบุรพาคือทิศตะวันออกแล้วก็ถวายพระเพลิงพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละทางทิศบุรพาแห่งธนคอนก็คือมกุฏพันธนะเจดีที่เราไปกราบไปไหว้กันมาเนี่ยนะซึ่งเจ้ามาละก็กล่าวว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิด ว่าเทวดาชนะคะแนนเสียงเทวดามากกว่าเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ยอมเทวดาก็ยกพระสริระไม่ขึ้นเทวดาไม่ยอมเทวดาบอกว่าจะเอาอย่างหนึ่งนะบัญชาของเทวดานี้นะว่าสําคัญมากทีนี้คําว่าคําเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าเจดีของพวกเจ้ามาละชื่อว่ามากุฏพันธนะนี้เป็นชื่อของสารามมงคลเป็นที่แต่งพระองค์ของพวกเจ้ามาละ เรีว่าเป็นสถานที่ตกแต่งพระสรีระเลยนะมันจะมีการเที่ยวจะมีการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสถานที่เรียกว่าตกแต่งร่างกายอย่างดีเลยนะแล้วก็ที่นั่นะจะมีเจดีที่เรียกว่าสร้างไว้อย่างสวยงามมากเลยนะเหมือนกับว่าเป็นวังอีกวังหนึ่งซึ่งเทวดาต้องการให้ไปถวายพระเพลิงพระสรีระพระผู้มีพระภาคณนฐะาสถานที่แห่งนั้นทีนี้สมัยนั้นเมืองกุสินาราเนี่ยดารดาษไปด้วยดอกมณฑารบ โดยถ่องแถวประมาณแค่เพียงเข่าตลอดจนที่ต่อแห่งเรือนบ่อโสโครกและกองหยาดเยื่อแสดงว่าสถานที่ทั้งหมดของเมืองเนี่ยนะตรงไหนที่เคยสกปรกที่เละเทอะอะไรเนี่ยดอกไม้กลบไว้หมดเลยเนี่ยนะดอกไม้กลบเมืองเพราะงั้นดอกไม้กลบเมืองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่โศโครกบ่อน้ําครามที่ไหนมีโคลนมีตมมีอะไรเป็นต้นเนี่ยดอกไม้อันเป็นทิพย์กรบหมดเลยเนี่ยนะ แล้ผู้มีบุญก็อย่างนี้แหละนะครั้งนั้นพวกเทวดาและพวกเจ้ามาละคือเทวดากับเจ้าเนี่ยมนุษย์กับเทวดานี่อยู่สับหวางกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราไม่รู้่มนุษย์หรือเทวดาก็ไม่รู้ในสมาคมนั้นนะเยอะไปหมดเลยมันทั้งเทวดาและเจ้ามาละเมืองกุสินาราก็ต่างเคารพสักการะเคารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมด้วยดอกไม้ของหอมทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์